วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2565เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อความสุขและความเจริญของชีวิตและจิตใจคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ทรงสอนเรื่องของการหาความสุขและเรื่องของการกาจัดความทุกข์ ความสุขที่พระพุทธเจ้าสรงสอนนี้ท่สงสอนว่ามีอยู่สองแบบด้วยกันคือความสุขของผู้ครองเรือนคือคาราวะญาติยงและความสุขของนักบวชความสุขทั้งสองแบบนี้วิธีหาความสุขนี้แตกต่างกันดังนั้นถ้าอยากจะได้ความสุขแบบใด ก็ควรที่จะศึกษาวิธีแบบนั้นแล้วเราก็จะได้ความสุขตามที่เราต้องการกันสำหรับคารวะผู้ครองเวรคือศรัท ธ, ธาญาติโยมทั้งหลายความสุขของศรัท ธ, ธาญาติโยมนี้เกิดขึ้นได้อยู่สประการด้วยกันคือประการที่หนึ่ง ความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์มาอันนี้เป็นความสุขเป็นเหตุของการมีความสุขเหตุที่สองของการมีความสุขของผู้คลองเรือนก็คือการได้ใช้ทรัพย์นั้นเองเมื่อมีทรัพย์แล้วถ้าได้ใช้ทรัพย์ก็จะเกิดความสุขขึ้นมา ข้อที่สามความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้สินนั่นเองข้อที่สี่ความสุขที่เกิดจากการกระทาที่ไม่เกิดโทษคือการกระทาที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนี่คือวิธีการหาความสุขของผู้ครองเรือนมีอยู่สี่วิธีด้วยกัน ซึ่งเราจะมาศึกษากันว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรกันข้อหนึ่งการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์นี้ก็เกิดขึ้นได้สองวิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือการเกิดหรือการได้ทรัพย์มาจากการได้ทําบุญมาในอดีตตชาตินั่นเอง ผู้ที่ได้ทำบุญมากๆในอดีตชาติพอมาเกิดชาตินี้ก็จะได้เกิดบุญกองเงินกองทองกันอันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปแก้หรือไปทำอะไรได้เพราะเหตุมันเกิดขึ้นในอดีตชาติถ้าเราได้ทำบุญมากอย่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ ก่อนที่ท่านจะได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านก็เป็นพระเวชสันดรท่านเป็นพระเวชสันดรขณะที่เป็นพระเวชสันดรท่านก็ทำบุญทำทานอย่างมากมายจนพอท่านตายไปจากการเป็นพระเวชสันดรท่านก็ได้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์แล้วหลังจากที่ ลงมาจากสวรรค์ก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นราชกุมารเป็นพระโอรสของพระราชามหากษัตริย์ที่มีทรัพย์สมบัติเข้าของมากมายมีปราสาทสามฤดูเป็นต้นอันนี้ก็คือการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์มา ด้วยเหตุที่ได้ทําบุญมาแล้วในอดีตชาติอันนี้ถ้าเราไม่ได้ทํามาเราไม่ได้เกิดมาล่ำรวยเราก็ควรที่จะใช้เป็นอุทาหรณ์ใช้เป็นเครื่องสอนใจเตือนใจว่าชาติหน้าถ้าเราอยากจะกลับมาสุขอยากกลมาสุขอยากกลมกลับมาเกิดสบายล่ำรวย เราก็ควรที่จะขยันทำบุญกันในชาตินี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราเชื่อได้เพราะเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนำเอามาสั่งสอนอดีตชาติเรากลับไปทำใหม่ไม่ได้แล้วเราก็ต้องรับผลของอดีตชาติในปัจจุบันถ้าอดีตชาติเราไม่ได้ทำบุญกันมาก เรามาเกิดเราก็ไม่ร่ำรวยกันแต่เราก็ยังสามารถที่จะร่ำรวยขึ้นมาได้อีกวิธีหนึ่งคือวิธีความกยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนั่นเองด้วยด้วยอาชีพที่สุดจริญอาชีพที่ไม่เกิดโทษไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรม เพราะถ้าไปทำอาชีพที่ผิดกฎหมายไปทำอาชีพที่ผิดศีลธรรมก็อาจจะมีโทษตามมาได้อาจจะรวยในเบื้องต้นแต่พอเจ้าหน้าที่เขารู้ว่าเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายเขาก็จะมาจับเราไปติดคุกติดตารางได้แต่ถ้าเราทำอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมาย เงินทองที่เราได้มานี่ก็จะไม่ถูกเจ้าหน้าที่เขาจับไปยึดไปเป็นเงินทองที่สะอาดที่เราสามารถที่จะนำเอาไปใช้ให้เกิดความสุขกับตัวเราได้ถ้าเราไม่เกิดมารวยเราก็สามารถรวยได้ด้วยการแสวงหาด้วยความขยันหมั่นเพียร ถ้าเรายังอยู่ในวัยศึกษาก็ให้ขยันศึกษาหาวิชาความรู้ต่างๆ <c oughs> เพราะวิชาความรู้นี้เป็นเครื่องมือในการหาทรัพย์ได้นั่นเอง <c oughs> ถ้าเราไม่ได้มีโอกาสได้ศึกษาเราก็ต้องหาความรู้ด้วยความคิดของเราเองหรือด้วยประสบประการด้วยการไปฝึกงาน กับบุคคลต่างๆกับบริษัทต่างๆเพื่อให้ได้เรียนรู้วิชาธรรมะกินที่จะทำให้เรานี้มีรายได้ขึ้นมาได้ต้องขยันศึกษาฝ่ายฝ่ายหาความรู้ในวิธีการหาเงินหาทองถ้าเราไม่เกียดค้านไม่ช้าก็เร็ว เราก็จะร่ำรวยขึ้นมาได้เราคงได้ยินได้ฟังประวัติของคนต่างๆที่มีชื่อมีเสียงที่ร่ำรวยกันในปัจจุบันนี้บางคนก็เกิดมายากจนกันเกิดมาไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่เนื่องจากมีความอดทนมีความขยันที่จะศึกษาที่จะทำมาหากินโดยอาชีพต่างๆ ไม่ช้าก็เร็วก็เกิดความร่ำรวยขึ้นมาได้นี่คือวิธีการมีทรัพย์ความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ถ้าเรามีทรัพย์เราก็จะมีความสุขเพราะทรัพย์นี้เป็นสิ่งที่จะมาดูแลร่างกายของเราและจิตใจของเรานั้น ให้อยู่อย่างมีความสุขได้อันนี้ก็มาถึงข้อที่สองคือเมื่อมีทรัพย์แล้วเราก็ต้องใช้ทรัพย์เพื่อให้ทรัพย์ที่เรามีนี้เพิ่มความสุขให้กับเรานั่นเองถ้ามีทรัพย์แล้วไม่ใช้ทรัพย์ก็มีความสุขเพียงที่มีความรู้สึกปลอดภัยว่ามีมีทรัพย์ไว้สําหรับดูแลเลี้ยงดู อัตภาพร่างกายืไม่ให้ทําให้มีความทุกข์ความยากเดือดร้อ น, น, อนตามมาเพราะมีเงินที่จะซื้อสิ่งที่จําเป็นต่อการดารงชีพมีเงินที่จะซื้ออาหารมีเงินที่จะซื้อบ้านซื้อเสื้อผ้ามีเงินสําหรับไว้รักษาโรคภัยไข้เจ็บ แต่ถ้ามีแล้วไม่เอามาใช้เสียดายเงินทองก็ใช้แบบตนีอย่างนี้การมีทรัพย์ก็จะไม่ได้มีความสุขมากนักแต่ถ้าเมื่อมีทรัพย์แล้วรู้จักเอาทรัพย์นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สุขก็จะได้ความสุขเพิ่มขึ้นการใช้ทรัพย์ที่ทำให้เกิดมีประโยชน์เกิดมีความสุขก็ก็มีการใช้ทรัพย์ ที่จะทำให้เกิดความทุกข์เกิดความลำบากความยากจนก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้าเราไม่รู้จักวิธีใช้ทรัพย์ที่เรามีอยู่นี้ให้ถูกต้องการใช้ทรัพย์จึงมีสองวิธีใหญ่ๆใช้ใช้ทรัพย์เพื่อให้เกิดความสุขกับตัวเราหรือใช้ทรัพย์เพื่อให้เกิดโทษกับตัวเรา เราก็ต้องรู้จากวิธีใช้ทรัพย์วิธีใช้ทรัพย์ที่จะให้เกิดความสุขกับเราก็คือใช้กับสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีพนั่นเองอใช้กับปจัจจัยสี่เอาเอาทรัพย์นี้ไปซื้ออาหารมารับประทานซื้ออาหารแบบที่มีคุณมีประโยชน์ต่อร่างกาย และพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายอันนี้ไม่ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรประหยัดไม่ควรตันิใช้ตามความจำเป็นของร่างกายเสื้อผ้าก็ใช้ตามความจำเป็นต่อร่างกายร่างกายต้องมีเสื้อผ้ามากน้อยเพียงไรก็ซื้อมาใช้ได้ที่อยู่อาศัยก็หาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับกำลังทรัพย์ของเราแล้วก็ ยารักษาโรค ก, ก็อาจจะมีเงินไว้สำหรับจ่ายค่ายารักษาโรคซื้อประกันชีวิตซื้อประกันสุขภาพอะไรไว้เพื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้ไม่เดือดร้อนกับการรักษาอันนี้ก็เป็นการสร้างความสุขให้กับตนจากการที่เราได้ใช้ทรัพย์ มีทรัพย์แล้วเราก็เอาเอาทรัพย์นั้นมาใช้ไม่หวงเก็บเอาไว้ถ้าหวงตนันนแล้วก็เอามาใช้แบบตนันนีอาหารก็ซื้อแบบไม่มากพอเพียงต่อความต้องการเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาเราก็ใช้แบบไม่พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นความสุข กับเป็นความทุกข์เกิดขึ้นกับร่างกายได้ก็ต้องใช้ให้พอประมาณตับความต้องการของร่างกายยาต้านเองจำเป็นจะต้องใช้ก็ใช้ไปแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้คืออย่าใช้แบบฟุ่มเฟือยก็แล้วกันใช้แบบจำเป็นจริงๆอันนี้ก็เป็นการสร้างความสุข ให้กับเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่แล้วถ้าเราเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมเชื่อในเรื่องของบุญของบาปเชื่อว่าทำบุญแล้วถ้าหน้าพบหน้าถ้าเรายังต้องกลับมาเกิดใหม่เราจะกลับมาเกิดที่ร่ำรวยกว่าเก่าอันนี้เราก็ต้องเอาเงินอีกส่วนหนึ่งที่เรามีอยู่นี้ เอาไปให้กับการทำบุญทำทานต่างๆอย่างที่ญาติโยมมาทำบุญทำทานกันนี้ก็เป็นการเหมือนกับเอาเงินไปฝากในธนาคารบุญนี้เองที่เวลาที่เรากลับมาเกิดในภพหน้าชาติหน้าเราก็จะได้มีเงินทองรอรับเราอยู่นี่เป็นวิธีการใช้ทรัพย์ที่ไม่เกิดโทษ ใช้ทรัพย์แล้วทำให้เกิดความสุขที่แท้จริงอีกวิธีหนึ่งของการใช้ทรัพย์ที่จะทำให้เกิดโทษแก่ผู้ใช้ก็คือการใช้ไปในทางที่ไม่ถูกคือใช้แบบฟุ่มเฟือยใช้แบบใช้ของหรูหราต่างๆใช้ของแบรนด์เนมต่างๆเสื้อผ้าก็ต้องเป็นแบรนด์เนมกระเป๋ารองเท้าก็ต้องเป็นแบรนด์เนม ร้านอาหารที่ไปรับประทานก็ต้องเป็นมิชลินห้าดาวโรงแรมที่พักอาศัยก็ต้องรู้หละถ้าใช้แบบนี้มันก็มันก็จะใช้ทรัพ์มากแล้วก็จะใช้มากกว่าที่มีอยู่ก็ได้ถ้าทรัพ์ไม่พอใช้ก็จะทำให้เกิดปัญหาตามขึ้นมาได้ แล้วก็การใช้ทรัพย์ที่เกิดที่เป็นโทษเด็กอย่างหนึ่งก็คือการใช้ทรัพย์ไปกับอบายามุกต่างๆอบายามุกนี้เป็นอันตรายต่อจิตใจอย่างยิ่งเช่นการใช้ทรัพย์ไปกับการดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวเกย์เที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ<ม>การใช้ทรัพย์แบบนี้เป็นการ ทำลายเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับผู้ใช้นั่นเองเพราะไม่ช้าก็เร็วทรัพย์ก็จะต้องหมดได้อย่างง่ายดายถ้าใช้ทรัพย์ไปกับการดื่มสุรายาเมาก็จะทําให้ทําลายสุขภาพของร่างกายดื่มสุรามากๆ ก, ก, ก็เป็นโรคพิษโุลาได้แล้วเวลาดื่มโุลาแล้วเกิดอาการมึนเมาขึ้นมา ก็อาจจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้นอกจากสุราแล้วก็รวมไปถึงพวกยาเสพติดทั้งหลายที่มีพิษมีภัยต่อประสาทต่อสติของผู้เสพไม่ควรที่จะเสพยาเสพติดต่างๆเพราะยาเสพติดนี้เป็นอันตรายเสพแล้วก็จะติดติดแล้วก็ต้องเสพไปเรื่อยๆถ้ามีเงินทอง ซื้อมาเสพได้ตามความต้องการก็จะเสพมากเกินขนาดเสพ จ, จนทั่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ถ้าเงินทองไม่พอเสพเวลาขาดเงินขาดทองก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจอบอายมุกนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะเอาเงินทองไปใช้เพื่อให้เกิดความสุข อย่าไปเสพสุรายาเมาอย่าไปเสพยาเสพติดชนิดต่างๆอย่าเอาไปเล่นการพนันพราะถ้าเล่นการพนันนี้มันไม่ช้าก็เร็วมันก็จะทำให้เราสิ้นเนื้อประดาตัวได้เพราะเหตุคือถ้าเราเล่นแล้วเราได้เราก็อยากจะได้อีกลเราก็จะเล่นเพิ่มมากขึ้นไปพอเล่นเพิ่มมากขึ้นไปเดี๋ยวก็เกิดเสียขึ้นมาได้ พอเสียขึ้นมามากๆ ก, ก็อยากจะได้คืนก็ยิ่งเล่นให้มากขึ้นไปอีกแล้วนาที่สุดก็จะหมดเนื้อหมดตัวเงินทองก็จะหมดเงินทองหมดแล้วยังไม่พอยังอยากจะเล่นต่อเพราะมันมันเป็นเหมือนยาเสพติดเล่นการพนานแล้วมันจะติดเวลาไม่ได้เล่นแล้วมันจะรู้สึกหมดหุดหงิด มันก็อาจจะต้องเมื่อไม่มีทรัพย์แล้วก็ต้องเอาขายทรัพย์สินต่างๆไปขายข้าวของต่างๆมีเงินมีทองมีทองเก็บไว้มีอะไรต่างๆมีแหวนมีเพชรอะไรก็เอาไปขายเพื่อจะเอามาเล่นต่อไม่พอก็หมดก็เอาบ้านไปจำนองหรือขายบ้านก็ได้ขายทั้งบ้านขายที่ดินเพื่อจะเอามาเล่นเหทรัพย์ทั้งหลายที่มีมาที่หามาได้ก็จะหมดไป ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วถ้าไปใช้กับการเสพอาบายามุกและการเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆก็เป็นการสูญเสียทรัพย์เงินทองไปและเป็นการใช้ทำให้ติดพันกันจะเที่ยวแล้วจะต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาที่ไม่ได้เที่ยวเราจะรู้สึกหงุดหงิดนํำคาญใจเวลาเที่ยวก็ใช้เงินมาก พราะการเที่ยวนี้ก็มีการยั่วยุด้วยด้วยอุบายวิธีต่างๆของผู้ประกอบกิจการหาวิธีที่จะดูดเงินทองของลูกค้ามีเท่าไหร่ก็จะถูกหลอถูกดูดไปหมดได้อันนี้คือการใช้เงินที่ไม่ควรจะใช้ไม่ได้เป็นใช้เงินเพื่อให้เกิดความสุขแต่เป็นการใช้เงินเพื่อให้เกิดความทุกขึ้นมา อันนี้คือวิธีหาความสุขที่เกิดจากการใช้เงินพอให้ใช้แบบมีเหตุมีผลใช้เพื่อเลี้ยงดูชีวิตของเราให้อยู่ให้กินอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่อัตคัดขัดสนไม่เดือดร้อนแล้วถ้าอยากอยาได้ความสุขก็เอาเงินไปใช้กับการทําบุญทําทานแทนดีกว่าเอาเงินไปใช้กับการเที่ยว ตแหล่งบันเทิงตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือกับการใช้เงินกับการไปซื้อข้าวซื้อของแบรนด์นึต่างๆความสุขแบบนี้มันเป็นโทษเพราะมันจะทำให้เงินหมดได้เร็วมีเท่าไหร่ก็ถ้าใช้แบบนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ถ้าไม่พอใช้ได้แต่ถ้าใช้แบบด้วยเหตุด้วยผลนี้ก็จะมีเงินทองพอเพียงเก็บเอาไว้ เลีงดูตนเองไปจนถึงวันตายได้อันนี้คือวิธีการหาความสุขที่เกิดจากการใช้เงินข้อที่สามความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้นั่นเองการไม่มีหนี้นี้ทําให้เราไม่กังวลไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนใจเพราะไม่มีใครจะมาคอยทวงหนี้เราเพราะถ้ามีหนี้แล้วนี่ ก็อาจจะต้องถูกเขามาทวงนี้ด้วยวิธีการต่างๆและถ้าเราไม่มีเงินที่จะให้เขาเขาก็อาจจะมายึดทรัพย์ของเราได้ยึดทรัพย์ต่างๆที่ที่เราใช้อาศัยยึดบ้านยึดอะไรไปยึดที่ดินไปก็ จ, จะทำให้เรานี้เดือดร้อนการที่มีหนี้ก็เกิดจากการใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยนั่นเอง า ก, การใช้เงินเกินตัวเราต้องรู้จักใช้เงินอย่างที่ได้แสดงไว้ในในข้อที่สองคือให้ใช้เงินให้เกิดความสุขเกิดประโยชน์อย่าให้ใช้เงินแบบเกิดโทษเพราะเวลาเงินทองขาดมือแล้วก็จําเป็นที่จะต้องไปกู้ห น, น, นี้ยืมสินมาแล้วเมื่อกู้หนี้ยืมสินมาแล้วไม่สามารถที่จะ ใช้นี้เขาได้ก็จะต้องถูกยึดทรัพย์อะไรต่างๆไปอาจจะถูกถึงขั้นล้มละลายไปก็ได้ดังการมีการมีหนี้นี้เป็นโทษอย่างไม่ใช่เป็นความสุขความสุขคือการการไม่มีหนี้วิธีการไม่มีหนี้ก็คือการไม่ใช้เงินเกินตัวเราอย่าใช้เงินเกินรายรายรับของเรา รายจ่ายอย่าให้เกินรายรับควรจะทำบัญชีไว้ตลอดเวลาให้รู้ว่าเรามีรายรับเท่าไหร่เรามีเงินสำรองเท่าไหร่เราควรจะใช้ในกรอบของในความสามารถของเราถ้าเรารู้จักใช้เงินแบบไม่เกินตัวนี้ความชีจํำเป็นที่จะต้องไปคู่นี่ยืมสินนี้จะไม่มีเราต้องรู้จักควาว่ามักน้อยสันโดษ ถ้าเร า, าไม่อยากจะมีหนี้มากน้อยก็คือใช้น้อยๆใช้เท่าที่จําเป็นไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราใช้ด้วยเหตุด้วยผลใช้ตามความจําเป็นร่างกายจําเป็นต้องการมากน้อยก็ใช้ไปตามําความจําเป็นใช้น้อยๆของแพงของถูกก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกัน อาหารแพงกับอาหารถูกก็ทำหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายได้เท่ากันเสื้อผ้าราคาแพงเสื้อผ้าราคาถูกก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันบ้านราคาแพงบ้านราคาถูกก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันบ้านก็มีไว้หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆเสื้อผ้าก็ไว้ปกปิดร่างกายป้องกันภัยที่จะมากระทบกับร่างกาย อาหารก็มีไว้เพื่อดับความหิวความต้องการของร่างกายซึ่งอาหารมื้อหนึ่งนี้มีหลายราคาด้วยกันแต่หน้าที่ผลของการกินอาหารต่างๆราคาก็ได้ผลเท่ากันคือกำจัดความหิวทางร่างกายทำให้ร่างกายอิ่มขึ้นมามีความสุขขึ้นมาได้เท่ากันฉะนั้นก็ พรเจ้าจึงสอนให้เราถ้าไม่อยากจะมีปัญหากับการไม่มีเงินทองพอใช้ก็ควรจะใช้หลักของมักน้อยใช้เท่าที่จำเป็นใช้น้อยๆหรือสันโดษก็ยินดีตามมีตามเกิดถ้าเรามีเท่านี้เราได้เท่านี้ก็ขอว่าให้คิดว่าดีแล้วดีกว่าไม่มีเลย ยินดีตามมีตามเกิดอย่าอย่าโลภมากอย่าอยากได้มากถ้าอยากได้มากนี้มันได้เท่าไหร่ก็ไม่พอสมัยเราเป็นเด็กนี่เรามีวันมีเงินใช้วันละกี่บาทกันเราก็อยู่กันได้มีความสุขกันได้แต่พอเราโตขึ้นมานี่เรามีเงินมากกว่าสมัยที่เราเป็นเด็กแต่เราก็ยังไม่มีความสุขเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กครับ กมีความทุกข์กับมีความกังวลกับการที่จะต้องหางเงินหาทองมาใช้อยู่เรื่อยๆนั่นก็เป็นเพราะว่าพอเรามีมากเราก็ใช้มากกันเราไม่ได้ใช้เหตุใช้ผลเราใช้ตามอารมณ์ตามความอยากเห็นเวลาเราชอบเราอยากได้เราก็ซื้อมากันซึ่งบางทีไม่จำเป็นที่จะซื้อมาไม่ต้องมีก็ได้เราก็อยู่ได้กันแต่พอมัน พอเห็นแล้วเห็นคนอื่งเขามีก็อยากจะมีเหมือนเขาอันนี้ก็ต้องรู้จักหักห้ามจิตใจใช้หลักมักน้อยสังโดแล้วปัญหาเรื่องการที่จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินก็จะไม่มีเมื่อเราไม่มีหนี้สินเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องกังวลกับว่าจะต้องคอยหาเงินมาใช้หนี้ของที่เราต้องการ ถ้าเราไม่มีเงินพอที่จะซื้อก็อย่าเพิ่งไปซื้อมันเลยเก็บก็นาไว้ก่อนดีกว่าเก็บไว้จนกว่าจะพอแล้วค่อยซื้อยุคนี้เขาสอนให้ซื้อก่อนมีเงินซื้อเงินผ่อนกันเป็นหนี้โดยไม่รู้สึกตัวอยากได้นู่นอยากมีนี่ก็ซื้อกันมาซื้อมาแล้วก็อาจจะได้ความสุขจากของที่เราซื้อมาแต่เราไม่รู้ว่าเราได้ความทุกข์ตามมาด้วย ด้วยความทุกจากการที่จะต้องหาเงินหาทองมาใช้หนี้ที่เราสร้างขึ้นมา <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราใช้ของที่ตามกำลังของเรามีเท่าไหร่เราก็ใช้ไปตามมีตามเกิด <Yeah. S 1> ความทุกข์ความกังวลที่เกิดจากการมีหนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเัร <Yeah. S 1> ฉะนั้นถ้าอยากจะไม่มีหนี้นี้ก็ต้องหัดคำหัดหัดอยู่แบบมากน้อยสันโดษ มีน้อยๆใ ท, ทมีเท่าที่จําเป็นใช้ของที่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นของหรูหราเป็นของราคาแพงถ้าตราบใดมันทำหน้าที่ได้เหมือนกันก็ก็ถือว่าใช้ประโยชน์ได้เท่ากันก็ใช้แบบของที่มันถูกกว่าจะดีกว่า mm hmm. เพื่อป้องกันการที่จะไปมีหนี้มีสินอันนี้ก็เป็นการมีความสุข ชนิดที่สามก็คือการไม่มีหนี้ข้อที่สี่ก็คือความสุขของผู้ที่ของเรือนคือการกระทำที่ไม่เกิดโทษนั่นเองคือทำอะไรแล้วอย่าทำให้มันเกิดโทษตามมาอย่าให้มันมีปัญหาตามมาพระเจ้าก็สอนว่าอย่าไปเสพบาบายามุกอย่าไปทําบาปอย่าไปทําผิดกฎหมายของบ้านเมืองถ้าเราไม่ไปทําบาปทําผิดกฎหมายของบ้านเมือง ไม่เสบบบายมุก น, นี้โอกาสที่เราจะไปทำสิ่งที่ทำให้เกิดโทษกับตัวเราก็จะไม่มีอาบายมุก น, นี้มันจะทำให้เราใช้เงินมากอบายมุก น, นี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายพอใช้เงินมากเี๋ยวเงินทองก็ไม่พอใช้ไม่พอใช้ก็อาจจะต้องไปหาเงินทองโดยวิธีทุจริต ไปช่อโกงบ้างไปไปหลอกลวงบ้างไปลักทรัพย์บ้างหรือบางทีก็ถึงขั้นกับไปฆ่าผู้อื่นบ้างก็มีเช่นพวกที่ไปป้นไปจี้ตามร้านทองร้านอะไรต่างๆบางทีเกิดการต่อสู้กันขึ้นมามก็อาจจะถึงกับการไปฆ่าผู้่นได้แล้วพอถูกจับก็จะไปติดคุกติดตารางต่อไป อันนี้ก็จะเกิดโทษโทษที่จะตามมานี้มีสองลักษณะด้วยกันโทษที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือทำไปแล้วก็จะเกิดความเกิดกดโทษคือเกิดนี่เจ้าหน้าที่ถ้าเท่าตามจับตัวเราได้ก็จะถูกไปจับไปลงโทษถ้าจับยังจับไม่ได้โทษเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ใจคือความทุกข์ ความวิตกความกังวลหวาดกลัวเวลาเห็นเจ้าหน้าที่เดินมาก็ตกใจ ท, ท, ทั้งที่บางทีเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้รู้ว่าเราไปทำผิดกฎหมายมาแต่เนื่องจากเราทำผิดแล้วนี้ใจเราจะเกิดความหวาดกลัวขึ้มาอันนี้เป็นโทษที่เกิดขึ้นในใจที่เกิดขึ้นทันทีแต่โทษที่เกิดจากการถูกไปจับขัคุกขังตารางนี้ก็อาจจะ ไม่เกิดเมเกิดแล้วก็อาจจะมีวิธีแก้ได้ถ้ารู้จักทนายความดี ด, ดีเขาจะมีวิธีสู้ความกันก็อาจจะทําให้ผิดมากกลายเป็นผิดน้อยได้เมื่อผิดน้อยเป็นไม่ผิดได้แต่มีโทษอีกอย่างหนึ่งที่จะตามมาคือโทษที่จะพาเราไปหลังจากที่เราตายไปแล้วถ้าเราก็ทําบาปนี่ ใจของเรานี้จะเลื่อนลงต่ําทันทีเรานี้ใจของเราเป็นมนุษย์กันแต่พอเราไปทําบาปใจของเราก็จะเสื่อมไปทีละเล็กทีละน้อยไม่ใช่ว่าทําบาปผลเดียวแล้วก็จะทําให้กลายเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตขึ้นมาทันทีก็แล้วแต่ว่าการกระทํานี้หนักหรือเบาด้วยถ้าหนักบ้างก็อาจจะทําครั้งเดียวก็อาจจะ ทำให้ไปตกนรกก็ได้ <Yeah. S 2> เช่นพระเทวทัตนี่พยายามปรงพระชนพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามรั้งด้วยกัน yeah. Yeah. การกระทำแบบนี้ถือว่าเป็นบาปหนักมาก <Yeah. S 2> ทาั้งทั้งที่ได้บำเพ็ญความดีมาตลอดบวชพระมาต้องหลายสิบปีรักษาศีลปฏิบัติธรรมได้สมาธิได้ปัญญา yeah. แต่พอเกิดความโลภเกิดความอยากมักใหญ่ไ่สูงอยากที่จะเป็นตัวแทนปกครองสงแทนพระพุทธเจ้าต่อไปพอไม่ได้เป็นก็โกรธก็คิดาทาร้ายพระพุทธเจ้าพยายามปลงพระชนถึงสามครั้งด้วยกันแต่ทำได้ก็เพียงแต่ทำให้พระบาทห่อเลือดอันนี้ถือว่าเป็นอนันตฤกย์กรรมเป็นบาปที่หนักที่สุด บาปหนักนี้มีอยู่ห้าข้อด้วยกันถ้าใครทำนี้ทำครั้งเดียวนี้ก็ไปนรกได้ทันทีคือการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพออาระอรหันต์ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและยุโยงให้สงเกิดความแตกแยกสามัคคีการกระทําเหล่านี้ถือว่าเป็นการกระทําที่เป็นบาปหนักมากทำแล้ว จิตใจจะเลื่อนจากมนุษย์นี้ไปสู่นรกทันทีพอตายไปนี่ใจก็จะต้องไปรับผลของการกระทำในนัในนรกในปัจจุบันอาจจะทำแล้วอาจจะหนบหนีได้เจ้าหน้าที่ตารวจตามจับไม่ได้ข้าพ่อข้าแม่หรือข้าคนแล้วก็หนีไปอยู่ที่อื่นไปแปลงตัวแปลงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลอะไรเขาอาจจะตามตัวไม่พบก็ได้แต่นี้กดแห่งกรรมไม่ได้ กฎแหงกรรมก็คือตายแล้วก็จะต้องไปตกนรกกันนี่คือเรื่องของการกระทําที่ไม่เกิดโทษทําให้เรามีความสุขกันถ้าเราไม่ทําผิดกฎหมายไม่ทําบาปใจเราจะเย็นใจเราจะสุขสบายไม่วิตกไม่กังวลไม่หวาดกลัวแต่ถ้าเราทําผิดแล้วเราจะวิตกกังวลหวาดกลัว นี่คือวิธีการหาความสุขของผู้คลองเรือนซึ่งเป็นความสุขที่น้อยกว่าความสุขของผู้เป็นนักบวชถ้ารู้สึกว่าความสุขแบบคารวะนี้เป็นความสุขที่ไม่พอเพียงเรือว่าเป็นความสุขที่ยังต้องมีความทุกข์ความกังวลอยู่ เพราะว่าการมีเงินก็ต้องกังวลว่าจะหมดเมื่อไหร่การหาเงินก็ต้องกังวลว่าจะหาได้มากหาได้น้อยการการไม่มีหนี้จำงานจะไม่มีหนี้บางทีมันก็อดที่จะมีหนี้ไม่ได้บางทีก็อดที่จะไปทำการกระทำที่ไม่ถูกกฎหมายหรือไม่ถูกศีลธรรมก็ได้ ถ้าไม่อยากจะหาความสุขแบบของผู้ครองเรือนก็ยังมีความสุขอีกวิธีหนึ่งคือการหาความสุขแบบนักบวชซึ่งผู้ครองเรือนในเริ่มตอนเริ่มต้นก็สามารถหาได้แบ่งเวลามาหาความสุขแบบนักบวชกันก็ได้ความสุขของนักบวชนี้ก็เกิดจากการฝึกจิตฝึกใจทำจิตทำใจให้สงบนั่นเอง ถ้าเราสามารถสดจิตสดใจทําจิตใจให้สงบได้เราก็จะได้พบความสุขอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าหรือกว่าความสุขของผู้คลองเรือนราความสุขของผู้คลองเรือนนี้ต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างต้องมีเงินทองแล้วต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงถึงจะสามารถมีความสุขแบบผู้คลองเรือนได้ แต่ถ้าเกิดเงินทองไม่พอใช้ขัดเงินทองหรือร่างกายสุขภาพไม่แข็งแรงเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆการจะหาความสุขแบบผู้คองเรือนก็จะยากเป็นไปยากหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลยก็มีก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเวลาคนเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาแก่ เวลาที่ร่างกายไม่สมประกอบนี่จะเรารู้สึกว่าการหาความสุขนี้ยากแต่ถ้าเรามาหาความสุขทางจิตใจการทำใจให้สงบนี้เราจะไม่ต้องอาศัยร่างกายเราจะไม่ต้องอาศัยเงินทองต่างๆเราเพียงแต่อาศัยสติสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องมือแทนอาศัยศีล นี่คือเครื่องมือที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้โดยต้องไม่ใชไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไม่ต้องเอาเงินไปซื้อศีลไม่ต้องเอาเงินไปซื้อสติไม่ต้องเอาเงินไปซื้อสมาธิซื้อปัญญาของเหล่านี้เป็นของฟรีเป็นของที่เราสามารถหามาได้ด้วยตนเองถ้าเราไม่รู้จักวิธีหาเราก็ไปศึกษาจากผู้ที่รู้จักวิธีก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ท่านหาความสุขแบบนักบวชกันท่านไม่ต้องใช้เงินทองท่านไม่ต้องใช้ร่างกายท่านใช้สติใช้ใช้ศีลใช้ส ต, ใสติใช้สมาธิใช้ปัญญาและใช้ความภาคเพียนความขยันหมั่นเพียรในการรักษาศีลในการเจริญสติในการฝึกสมาธิในการเจริญปัญญากันอันนี้ ก็เป็นวิธีที่ผู้ครองเรือนก็สามารถหาได้ไม่ได้จำเพาะว่าจะต้องเป็นนักบวชเพียงอย่างเดียวขณะที่เรายังเป็นผู้คองเรือนอยู่เราก็สามารถหาความสุขทั้งสองวิธีได้ไปพังๆก่อนทางโลกเราก็ความสุขทางโลกทางการใช้เงินใช้ทองก็ทำไปแต่อาจจะลดน้อยลงไปแล้วเอาเวลามาหาความสุขจากการทำใจให้สงบ เชนอาทิตย์หนึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้คารวดญาติโยมนั้นมีวันหยุดการหาความสุขทางโลกหนึ่งวันหาความสุขทางการของคารวะหนึ่งวันแล้วเปลี่ยนมาหาความสุขแบบนักบวชด้วยการไปไปอยู่วัดกันหรือไปเข้าวัดกันไปรักษาศีนแปดกันรักษาสีนแปฟังเทศฟังธรรม เดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดมีสติให้ทําใจให้สงบเวลานั่งฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเพราะนี่คือสิ่งที่จะทําให้ใจของเราสงบมีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายใช้เงินทองร่างกายไม่แข็งแรงก็สามารถที่จะสร้างความสุขทางใจได้แต่ตอนต้นนี้ถ้าร่างกายแข็งแรงก็จะดีกว่า เพราะจะทำให้การสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาสร้างศีลนี้มันง่ายสะดวกขึ้นแต่ถ้ามันไม่มีอะไก็ถ้าร่างกายมันไม่เป็นมันไม่สมประกอบก็ไม่เป็นไรเพราะศีลนี้ก็ไม่ต้องใช้ร่างกาย <S <S 1> <S 1> <ๆ>การรักษาศีลนี้เราไม่ต้องใช้ร่างกายเราต้องการห้ามร่างกายไม่ให้ไปทำอะไรต่างๆเทานั้นการมีศีลนี่ ดัถ้าร่างกายป่วยนี่ก็ถือว่าเรามีศีน ร, รักษาศีน ง, ง่ายกว่าคนที่ไม่ป่วยเพราะเวลาคนไม่ป่วยนี่เดี๋ยวกิเลสอยากจะไปดูหนังฟังเพลงไปทำนู่นทำนี่ไปทำบาปก็จะใช้ร่างกายไปทำแต่ถ้าร่างกายไม่สบายขึ้นมาทำไม่ได้การรักษาศีนก็จะง่ายขึ้นสาหรับคนที่ไม่สบายคนแก่คนเฒ่า แต่สำหรับคนหนุ่มคนสาวคนที่มีกำลังวังชานี่การรักษาศีลอาจจะยากเพราะว่าร่างกายมันสมมันพร้อมที่จะรับใช้กิเลสนั่นเองการการรักษาศีลจริงๆก็ความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายอยู่การกับการหักข้ามจิตใจไม่ให้ใช้ร่างกายไปในการหาความสุขแบบคาราวาส ไม่ให้หาความสุขจากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆให้หาความสุขจากการมาฝึกสติมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบกันดังนั้นวันพระนี่คือวันหยุดทำงานซึ่งในสมัยโบราณนี่วันพระจะตรงกับวันหยุดทำงานแต่วันใ น, ในยุคปัจจุบันนี้วันพระกับวันหยุดทำงานนี้ไม่ตรงกันแล้ว นานๆจะตรงกันสักครั้งหนึ่งทุกสองเดือนอาจจะตรงกันสักหนึ่งครั้งเช่นเมื่อวันเมื่อวานนี้ก็เป็นวันพระด้วยเป็นวันหยุดทํางานของคนสมัยใหม่ด้วยเฉนั้นเราอาจจะต้องปรับวันหยุดของเราวันพระของเราให้ตรงกับวันหยุดทํางานเช่นเราหยุดทํางานวันไหนหยุดวันทํางานวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็ใช้วันนั้นเป็นวันพระวันที่เราจะมาปฏิบัติธรรมกัน วันที่เราจะมาสร้างความสุขทางทางจิตใจกันมาทำจิตใจให้สงบวันที่เราจะมารักษาสี้นแปดกันวันที่เราจะมาอยู่วัดมาปีกวิเวกหาที่สงบอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆเพื่อที่จะได้ทำใจให้สงบได้เพราะถ้าใจเรายังไปเสกรูปเสียงกลิ่นรสอยู่นี้ใจจะทำงาน เมื่อใจทํางานใจก็จะนิ่งจะสงบไม่ได้ความนิ่งความสงบของใจก็คือการหยุดทํางานของใจหยุดเสบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆก็จึงจําเป็นที่จะต้องถือศีแปะกันแล้วก็ไปอยู่ที่สงบเช่นอยู่ตามวัดที่เงียบสงบไม่ใช่ไปวัดที่มีมีงานต่างๆมีงานศพมีงานอะไรต่างๆ อย่างนั้นก็จะไม่ค่อยสงบคนจะไปหาวัดที่เน้นในการปฏิบัติเน้นในการเจริญสติสมาธิปัญญาไปตามวัดเหล่านั้นเพื่อเราจะได้มาเรียนรู้วิธีทำใจให้สงบว่าทำอย่างไร<ม>การที่เราต้องถือศีลแปดเพราะว่าถ้าเราไม่ถือศีลแปดเราก็ยังจะไปทำกิจกรรม ความสุขทางร่างกายได้อยู่ น, นั่นเองเราก็จะไม่มีเวลามามาสร้างความสุขทางจิตใจจึงจำเป็นจะต้องถือศีลแปัทนเช่นศีลข้อสามก็ให้เราเปลี่ยนจากการประพฤติผิดไม่ประพฤติผิดต่เอเวรีมาเป็นการไม่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราหรือกับใครก็ตามอ布拉มจริยาถือศีลพรหมจรรย์ น, นั่นเอง ครามจันก็คือไม่มีการเสดเด็การร่วมกันอันนี้คือสินข้อที่สามของสิแตี่แล้วก็เพิ่มสิ่ข้อที่หก็คือไม่รับประทานอาหารตามความอยากรับประทานอาหารเพื่อเลี้ยงดูร่างกายให้ร่างกายดับความหิวของร่างกายก็พอซึ่งรับประทานเพียงแค่เชียงวันก็พอ ไม่จำเป็นจะต้องรับประทานทั้งวันทั้งคืนรับประทานครั้งสองครั้งก็พอเพื่อที่จะได้มีเวลาที่จะเอามาใช้กับการปฏิบัติจิตภาวนาแล้วก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องของความเกลียดค้าและความง่วงนอนได้นักปฏิบัตินี้จะรู้ว่าเวลาปฏิบัตินี้บางจะเจอปัญหาเกิดบางทีนั่งสมาธิก็จะหาว ฟังเทศฟังธรรมก็จะหาวอยากจะนอนอันนี้เพราะว่าเกิดจากการรับประทานอาหารตามปกติการรับประทานอาหารตามปกตินี้จะไม่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมจึงต้องรับประทานลดการบริโภคการรับประทานอาหารให้น้อยลงลดจากสามมือลงเหลือสองมือเหลือเหลือหนึ่งมือก็พอรับประทานพอให้ร่างกายอยู่ได้ดับความหิวได้ก็พอ เพื่อที่ร่างกายจะได้ไม่ห่วงนอนเวลาจะปฏิบัติธรรมจะได้ไม่เกียจค้านจะไม่สับประงก น, นี่คือเรื่องเทศที่เราจำจำเป็นจะต้งื้อศีลข้อหกกันเพื่อลดปัญหาที่จะตามมาจากการรับประทานอาหารมากเกินไปแล้วก็เกิดจากปัญหาที่จะคิดถึงแต่เรื่องกินอย่างเดียวถ้าเวลา ไม่ได้ถือศีลข้อนี้เวลานั่งสมาธิเดี๋ยวนึกอยากจะกินขึ้นมาก็นั่งสมาธิต่อไปไม่ได้แล้วลุกขึ้นไปกินดีกว่าหาขนมหาอะไรกินถ้าไม่ถือศีลแปดก็ยังกินได้อยศีลห้า น, นี้ไม่ห้ามเรื่องกินกินได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ถ้ามาถือศีลแปดแล้วนี่ห้ามแล้วไม่ให้จิตใจไปหมักบุนอยู่ขวาเรื่องกินมากจนเกินไป เพราะว่าถ้าจิตยังหมักบุนอยู่เวลานั่งสมาธิมันจะสงบไปได้มันจะคิดแต่ขนมคิดถึงขนมคิดถึงอาหารคิดถึงเครื่องดื่มต่างๆมันก็จะทำให้การนั่งสมาธินี้ยากเย็นนั่นเองก็ลเลยต้องถือศีลข้อ6ศีลข้อเจก็ไม่ให้เราไปใช้เวลากับการหาความสุขกับพวกบันเทิงต่างๆไม่ไปดูหนังฟังเพลงเป็นต้น ไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงหรือไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแลวเมื่อเราก็ไม่ให้เสริงสวยความงามทางร่างกายต่างกายให้เป็นแบบสุภาพเรียบร้อยก็พอให้สะอาดเรียบร้อยอาบน้ำอบาบท่าหวีหผมอะไรใ ห, ะให้เรียบร้อยก็พอไม่ต้องไปเสริมไม่ต้องไปเสริมความงามไม่ต้องใช้น้ำหอมน้ำมันอะไรต่างๆมันเป็นการเสียเวลา แล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อการปฏิบัติทำจิตใจให้สงบอันนี้ก็เป็นสีลข้อเจ็ดสีวนงข้อ8ดก็คือไม่ให้นอนมากเกินไปถ้านอนมากเกินไปมันก็จะเสียเวลาการปฏิบัติไปผู้ปฏิบัติจริงๆนี้นอนคือละสี่ห้าชั่วโมงก็พอวิธีที่จะนอนแบบสี่ห้าชั่วโมงได้ก็ต้องไม่นอนบนเตียงใหญ่ๆเตียงสำราญ เองที่สุขที่สบายเกินไปให้นอนกับเตียงหรือกับพื้นไม้ที่แข็งแข็งพื้นที่แข็งแข็งเพื่อจะได้ไม่มีความสุขมากถ้านอนบนบนพื้นแข็งเน่เวลาร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายแต่ถ้าบนนอนบนเตียงสาํารานผูกใหญ่ๆนุ่มมีความนิ่มีมคํานุ่มอย่างนี้ เวลาร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอตื่นขึ้นมาใจก็ยังไม่อยากจะลุกใจก็จะขอนอนต่อสองสามชั่วโมงดังนั้นจึงต้องพระพุทธเจ้าถึงต้องห้ามไม่ให้นอนนั่งหรือนอนบนที่นั่งที่นอนที่สุ ข, ท, สขที่สบายให้นั่งที่นอนแบบที่ไม่สุขไม่สบายแบบแต่ก็ไม่ทุกข์เป็นนอนบนพื้นแข็งแข็งนั่งบนพื้นแข็งแข็งจะทําให้ไม่เกิดความ ติดในความสุขทางร่างกายนั่นเองอ น, นี้คือศิ่งแปดมีไว้เพื่อที่จะช่วยสนับสนุนให้มีเวลามาสร้างความสุขคือการทำใจให้สงบความความสงบทางใจนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าเราสามารถเข้าถึงได้แล้วเราจะไม่อยากจะไปหาความสุขแบบเก่าต่อไปเพราะฉะนั้นเราจึงต้อง พยายามมาปฏิบัติกันเพื่อให้เข้าถึงความสุขแบบนี้ให้ได้กันเราจะทําให้เรานี้มีความสุขไปตลอดได้เพราะความสุขทางใจนี้จะไม่หายไปง่ายๆจะอยู่คู่กับใจไปได้เป็นระยะเวลายาวนานเพราะถ้าเรารู้จักวิธีสร้างมันขึ้นมาแล้วเราก็จะสามารถสร้างมันต่อไปได้เรื่อยๆนั่นเองโดยที่ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรที่จะมาทำลายความสุขในใจของเราได้ไม่เหมือนกับความสุขทางร่างกายทางทรัพ์สมบัติข้าวของเงินทองซึ่งอาจจะมีผู้อื่นมาทำลายได้มีเหตุการณ์ต่างๆมาทำลายได้เช่นอาจจะมีถูกป้นถูกขโมยเงินทองไปถูกช่อโกงไปหรือถูกยึดทรัพย์ไปหรืออะไรต่างๆ ความสุขที่เราได้จากทรัพย์นี้มันก็หมดไปได้อย่างรวดเร็วแต่ความสุขที่เราได้จากการทําใจให้สงบนี้เป็นความสุขที่มันจะอยู่กับใจเราไปตลอดหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วมันก็ยังจะอยู่กับเราไปต่อและมันจะเป็นตัวที่จะส่งให้เรานี้ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของจิตใจก็คือไป สู่ความสุขของระดับพระนิพพานได้ต่อไปแต่ในเบื้องต้นนี้เราก็จะต้องผ่านความสุขในระดับสวรรค์ชั้นต่างๆไปก่อนผ่าน mm hmm. สวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็ไปสู่สวรรค์ของพระอริยบุคคลขั้นต่างๆไปจนในที่สุดถ้าเราปฏิบัติไปครบบริบูรณ์เราก็จะได้ไปถึงความสุขที่สูงสุดต่อไปถ้าเราได้ไปถึงความสุขที่สูงสุดแล้วนี้ ความสุขนี้จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาหาความสุขในโลกนี้อีกต่อไปเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดกันมาเกิดแล้วเกิดแล้วก็ต้องมาหาความสุขหาเงินหาทองกันยากลาบากหาได้มากน้อยในที่สุดก็หมดไปหมดไปก็ตายไปกลับมาเกิดใหม่ก็มาหาใหม่เราก็จะกลับมาเวียนว่ายลายเกิดอยู่เรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้น ถ้าเราหาความสุขแบบคารวะแบบผู้ครองเรือนคือหาความสุขจากทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆแต่ถ้าเรามาหาความสุขจากการฝุขจิตการทำใจให้สงบขั้นต้นก็การรักษาศีลแปในวันพระกันในวันหยุดทำงานตอนนี้เราต้องเปลี่ยนวันพระให้ตรงกับวันหยุดทำงานของเราถ้าวันนี้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดทำงานเราก็ถือวันนี้เป็นวันพระวันที่เราจะถือศีลแ เพราะถ้าเราไปถือศีลแปดในวันที่เราไปทำงานมันก็จะไม่สะดวกหลายประการด้วยกันพอไปทำงานเราก็อาจจะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมความความงามบ้างทำตามสังคมอ น, นั้นถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะทำไม่ได้แต่ถ้าเรามาถือศีลแปดในวันหยุดทำงานนี้เราก็ไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากไม่ต้องเสริมสวยความงามอะไร ไปอยู่วัดก็ใส่ชุดขาวนี่ก็อยู่ได้แล้วไม่ต้องมีอะไรมากแล้วเราก็มีเวลาที่จะได้ปฏิบัติทำได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการทำงานทำการการทำงานกับการปฏิบัติธรรมนี่มันขัดกันมันใบคอะทิดกันการทำงานนี่ต้องใช้ความคิดแต่การปฏิบัติธรรมนี่ต้องการหยุดความคิด การทำใจให้สงบนี้ใจจะสงบได้ก็เราต้องหยุดความคิดให้ได้ถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้ใจจะไม่สงบเมื่อใจไม่สงบเราก็จะไม่พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าเราไม่พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเราก็จะไม่มีกำลังใจที่อยากจะปฏิบัติกันปฏิบัติไปแล้วไม่ได้ผลนี่มันก็จะทาให้เราท้อแท้เบื่อหน่ายได้ และในที่สุดอาจจะเลิกปฏิบัติทำไปก็ได้ทั้งๆที่ผลที่เราควรจะได้นี้มันวิเศษวิโสแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ถึงมันก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามมีความอดทนมีความขยันหมั่นเพียรที่จะพยายามทำพยายามปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ให้ได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ที่เรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีนั่นเองปฏิบัติดีก็คือทำอย่างเต็มที่ทำอย่างเต็มกาลังวันหยุดก็ไปอยู่วัดทั้งวันเลยก็ได้บางท่านก็อาจจะหยุดสองวันก็ไปอยู่ข้างคืนด้วยแล้วก็ไปปฏิบัติไปฝึกสติเดินจงกรมนั่งสมาธิคอยควบคุมความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้ใจคิด ถึงแม้ไม่มีงานทำไม่มีเรื่องให้คิดแล้วมันก็ยังอดคิดไม่ได้เพราะมันติดเป็นนิสัยใจนี้มันชอบคิดมันอยู่เฉยๆโดยไม่มีความคิดแล้วมันรู้สึกว่ามันว้าวเวมันเลยต้องหาเรื่องคิดอยู่เรื่อยๆกินแล้วมันก็ทำให้ใจฟุ้งซ่านขึ้นมาทำให้เกิดความวิตกกิดความกังวลต่างๆขึ้นมาได้แทนที่จะมีความสุขกลับมีความทุกข์ขึ้นมาอีก ฉะนั้นต้องพยายามควบคุมความคิดให้ได้ถ้าเราอยากจะพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบสิ่งที่จะรั ง, ง, งับความคิดได้ก็คือสติและสิ่งที่จะทำให้เรามีสติได้ก็คือกรรมฐานกรรมฐานคืออารมณ์ที่เราใช้ในการตั้งสตินันสร้างสติเช่นเราใช้พุทธโธนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งที่เรียกว่าพุทธานุสติการมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งของสติ เราเรือกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหรือรเราใช้ใช้บทสวดมนต์ก็ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมนรานุสติการใช้ธรรมะเป็นที่ตั้งของสติเช่นสวด บ, บทอิติปิโสไปเรื่อยๆ อ, อิติปิโสร้อยจบหรือกี่จบก็ได้แต่ใดที่เราสวดนี้ถ้าเราสวด อ, อย่างมีสตินี้ใจเราจะเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าสวดไปนานๆครับแล้วความคิดมันก็จะหยุดไปเอง แล้วเราจะรู้สึกใจเย็นใจเบาใจสบายแต่ยังไม่สงบอย่างเต็มที่พอเรารสึกว่าเราสวดเสร็จแล้วใจเย็นใจเบาแล้วก็นั่งสมาธิต่อเลยนี่เวลามานั่งเราก็มานั่งดูลมหายใจเข้าออกอยู่ที่ปลายจมูกอยู่ที่ลมเข้าลมออกลมสัมผัสที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาเพราะการตามลมเข้าออกนี้เป็นการทางานของใจใจก็จะไม่นิ่งนั่นเอง ถ้าอยากจะให้ใจนิ่งใจต้องจ่ออยู่ที่เดียวอยู่ตรงจุดที่ลมเข้าลมออกคือแถวบริเวณปลายจมูกหรือเหนือริมฝีปากขึ้นมาให้เฝ้าอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกแล้วก็ไม่ต้องสนใจอะไรที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เรานั่งมีแสงมีเสียงมีกลิ่นมีอะไรก็อย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับลมเพียงอย่างเดียว ถ้าเราไปสนใจกับเรื่องอื่นแล้วเราจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางคือความสงบของใจเพอพอเราไปสนใจกับเรื่องอื่นใจเราก็เริ่มทำงานขึ้นมา ท, าทันทีเริ่มคิดปรุงแต่งว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรขึ้นมาทันทีฉะนั้นอย่าเวลานั่งสมาธินี้ไม่ให้ไปสนใจกับอะไรต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในเวลานั่งสมาธิต้องมีสติถ้าไม่มีสติแล้วเดี๋ยวมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็จะไปตามเรื่องที่ปรากฏขึ้นมา แล้ก็จะทําให้เกิดความเพ้อเจ้อหรือเพ้อฝันหรืออาจจะเกิดการเสียสติขึ้นมาได้เพราะไปเชื่อในสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาว่าเป็นนูน่นเป็นนี่ทั้งๆที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเชื่อเราคิดกันมันเป็นปรากฏการณ์ทางจิตใจเวลานั่งสมาธินี้ใจมักจะมีสร้างอะไรแปลกๆมาให้เรารับรู้กันถ้าเราไม่มีสติเราก็จะหลงตามมันไปเราก็เชื่อว่ามันเป็นตามที่มัน ปรากฏขึ้นมาให้เรารับรู้งั้นเรานั่งสมาธิอย่าปล่อยให้ใจไปตามรู้เรื่องราวต่างๆเป็นนันขาดเราไม่ต้องการรู้อะไรนรกสวรรค์หรืออะไรเราไม่ต้องการจะรู้ในขณะที่นั่งสมาธิในขณะที่นั่งสมาธินี้เราต้องการให้ใจนิ่งสงบเท่านั้นเองให้ใจว่างใจเย็นใจสุขใจสบายก็ต้องมีอะไรคอยกำกับใจดึงใจเอาไว้ก็ต้องมีสติคอยดึงใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง อยู่กับลมหายใจก็ดูที่ปลายจมูกหรืออยู่กับคำบริกรมพุทโธก็พุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าใจเรามีสติอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานแล้วใจเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้ต่อไปเมื่อใจเราเข้าสู่ความสงบแล้วเราก็จะได้สัมผัสกับความเย็นความสบายของความสงบและใจของเราก็จะเป็นกลางขึ้นมา จะไม่มีความรักชังกลัวหลงในขณะที่อยู่ในสภาพของความสงบนั้นจะไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งต่างๆถ้ายังสัมผัสรับรู้อยู่ก็จะเฉยๆไม่เดือดร้อนและเวลาออกจากสมาธิมาความรู้สึกเฉยๆนี่ก็จะตกค้างอยู่ในใจชั่วชั่วระยะหนึ่งเวลาออกจากสมาธิมาใหม่ๆใจจะเย็นเห็นอะไรก็เฉยๆได้ยินอะไรก็เฉยๆไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนแต่ถ้า ทิ้งไว่สักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็เริ่มเดือดร้อนนะเริ่มถ้าพอรู้ว่าเราใจเราเริ่มเดือดร้อนกับเรื่องราวต่างๆเราก็ควรจะกลับเข้าไปในสมาธิใหม่เข้าไปบ่อยๆเข้าไปทําใจให้นิ่งให้เย็นให้สบายให้ให้ว่างให้วางเฉยให้ได้แล้วต่อไปเวลาออกจากสมาธิมามันก็จะวางเฉยได้นานขึ้นงานขึ้นแล้วต่อไปเราก็จะสามารถเอาปัญญามาสอนใจ ให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปยุ่งด้วยนี้มันทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไปมีอะไรแล้วเราก็จะต้องทุกข์กับสิ่งที่เรามีได้อะไรมาแล้วเราก็จะรักจะหวงแล้วก็เราจะกังวลเวลามันจากเราไปเราก็จะเศร้าโศกเสียใจเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปยุ่งกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเขาไม่เที่ยงเพราะเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ บางครั้งไม่เขาเที่ยงบางครั้งไม่เขาอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้แม้แต่ร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันมันก็ไม่เที่ยงมันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจะไปห้ามมันไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเข้าใจรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เราก็อยู่กับมันไปแบบเฉยๆไปมันแก่ก็เฉยมันเจ็บก็เฉยมันตายก็เฉย แ้าเราอยู่แบบนี้ได้เราก็จะไม่ทุกใจเราก็จะมีความสุขตลอดเวลากับสิกับชีวิตกับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ไปจนถึงวันตายนี่คือการหาความสุขแบบของนักบวชที่ทุกคนสามารถมีสิทธิ์ที่จะหาได้เพียงแต่ว่าจะต้องหาเวลามามาหากันท่านั้นเองถ้าเป็นผู้ครองเรือนเป็นคารวะญาติโยมก็ต้องเอาเวลาของวันหยุดทางานนี้มา หาความสุขทางใจกันแล้วพอได้สัมผัสแล้วก็จะเกิดความยินดีอยากจะหาเพิ่มมากขึ้นไปต่อไปก็จะหามากขึ้นเพิ่มวันหาความสุขทางใจจากหนึ่งวันเป็นสองวันจากสองวันเป็นสาวันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจะลดการหาความสุขทางเงินทองให้น้อยลงไปเรื่อยๆต่อไปก็เลิกหาความสุขทางเงินทองได้เลยไปหาความสุขแบบนักบวชเป็นนักบวชได้อย่างสมบูรณ์แบบต่อไป เราก็จะได้ความสุขที่แท้จริงที่จะไม่มีวันจากเราไปนี่คือเรื่องราวของความสุขสองแบบที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุมโมทนาให้พรยะถ า, าวารวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลางังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานาังอุปกา ป, ะ, ปะติ อิติตังปะติต um ัตุมหังคิดเปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสัง a ปาจันโทปนาวาโสยธามณิโชติปะโสยธาสัพพิติโอวิวัจจตุสัพพโรโขวินัสตุ มาเตภาวัตวันตระยูสุขิทีคายุโกภาวะพิวาธนสีดิสะนิจังวุธาปจายนโนจัตตารธรรมวาทานติอายุวนันโนสุขังพลงช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถาม เป็นช่วงเดียวใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะหลังจากที่เลิกแล้วก็จะไม่สะดวกที่จะสนทนาธรรมกันนี้ใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้จะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือก็เข้าทาง Facebook Youtube ส่งข้อความเข้ามาได้วันนี้ผู้ติด ต, ตามทั้งหมดมีเท่าไหร่ ราบนามนสการเจ้าค่ะวันนี้พู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์399 YouTube พระสุชาติ Live 256 YouTube Dr. V Channel 111วิทยุออนไลน์1 1 Clubhouse 21ผู้รับฟังหน้ากุติ165รวม963ท่านเจ้าค่ะคถ้ามีคําถามก็เชิญอ่านได้เลย คำถามจากคุณวัสนาจันทวันโนกราบขอโอกาสพระอาจารย์เมตตาครับอายุเท่าไหร่ที่ไม่สมควรจะบวชครับกราบสาธุครับโ อ, อ้สมควรทุกอายุนะถ้ามีจิตศรัทธามีความสามารถที่จะปฏิบัติตามคําสอนได้แต่ถ้าบวชแล้วไม่สามารถปฏิบัติตามคำสอนสอนได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ไม่ไม่เหมาะสมที่จะบวชไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุเพียงอย่างเดียว ขึ้นอยู่กับว่าความสามารถที่จะปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระเจ้าได้ส่งสอนได้หรือไม่คำถามจากแม่จ๋า ก, กับน้องมีนากราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ พี่ที่ทำงานชอบมานินทาคนอื่นให้หนูฟังและชอบมาชวนคุยเรื่องไรสาระพอหนูไม่คุยด้วยเพราะหนูไม่รู้จะพูดอะไรเขามาโกรธไม่พอใจหนูพอดีทำงานเจอกันทุกวันกลับขอเมตตาพ ร, พ, รพระอาจารย์แนะนำวิธีปฏิบัติตัวในการทางานกับคนแบบนี้ด้วยเจ้าค่ะก็เฉยๆไปเท่านั้นเองเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะพูดเขาจะคุยเขาจะโกรธเราไปห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาโกรธไป เราอยังไปพูดไปทําอะไรก็แล้วกันเราเฉยๆไปคําถามจากคุณวาสนาจันทวันโนลูกประคําถือเป็นเครื่องประดับไหมครับสาธุครับอะไรนะลูกประคําครับรูกประคำถือว่าเป็นอะไรนะเครื่องประดับก็บางทีก็เอามาใช้ในการช่วยจเจริญสตินับรูกประคำไปแทนที่จะท่องพุทโธอย่างนี้แต่ถ้าจะใช้พุทโธได้จะดีกว่า พอจะได้ไม่ต้องอาศัยของภายนอกการเจริญสตินี้ควรจะใช้ของภายในที่เรามีอยู่เช่นสติคำเรวกามพุโทโธแล้วดูร่างกายของเราไปไม่จำเป็นจะต้องใช้ลูกประคำแต่ถ้าเคยฝึกลูกประคำมาจะจะใช้ต่อไปก็ได้ถ้ามันทำให้ใจเราสงบได้ก็ก็ไม่ห้ามกันคำถามจากคุณทิติชยา กราบสอบถามเจ้าคะ่ะหากหนูยังมีชีวิตอยู่และยังมีลูกเล็กๆจะบวชชีได้จริงๆก็ต่อเมื่อลูกโตแล้วสามารถช่วยเหลือตัวเองได้การปฏิบัติในตอนนี้ก็ยังมีความเป็นห่วงลูกอยู่ได้แต่สอนสิ่งที่ดีให้เขาและเป็นตัวอย่างที่ดีให้เห็นหนูเลยบวชใจไปก่อนสำหรับหนูกับสามีตัดเรื่องการแล้วเจ้าคะ่ะหนูตั้งใจนอนพื้นถือศีลแปตลอดหนูปฏิบัติตัวแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะถูกต้องแล้วนะ่า ทุกคนนับกับถ้าสามีเขายอมรับกับสภาพของเราได้ถ้าทาอย่างนี้แล้เกิดการทะเลาะกันก็อันก็จะไม่ถูกเพราะเราก็ต้องคํานึงถึงคนที่เราอยู่ด้วยว่าเราต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความเมตตาต่อกันถ้าอยู่กันแล้วเกิดการรู้สึกโกรธเกลียดกันก็วิธีการของเราถึงแม้จะถูกมันก็ไม่เหมาะกับสถานการณ์ของเราก็ได้ดั้นเราก็ต้องดู สิ่งว่าลา้อมโดยไม่ใช่ดูแต่การปฏิบัติของเราเพียงอย่างเดียวคำถามจากคุณหญิงโกะเจ้าค่ะถ้าเรารู้ว่ามีของไม่ดีอยู่ในตัวเราแล้วทำให้เราเจ็บป่วยทำให้เรามีชีวิตตกตา่าควรจะทำอย่างไรดีเจ้าคะให้ของไม่ดีนี้ออกไปจากตัวเราและเราจะสามารถเอาชนะเขาได้อย่างไรเจ้าคะหนูอยากหลุดพ้นจากของไม่ดีเหล่านี้เจ้าค่ะของไม่ดีของที่พระเจ้าสอนก็คือกิเลสตัณหานีนั้ น, นะ หรือกรรมการประเพืที่ไม่ถูกทำบาปนี้เป็นของไม่ดีก็หยุดทำบาปเสียหยุดกิเลสหยุดโลกโกรธหลงถี่เท่านั้นเองของอื่นไม่มีหรอกไม่มีที่ไม่ดีมีแค่นี้มีแค่บาปกรรมแล้วก็กิเลสตัณหาความโลคความโกรธความหลงนี่เท่านั้นที่เป็นของไม่ดีของอย่างอื่นนั้นเป็นอุปท า, านกันมากกว่าคาถามจากคุณส ร, รัมเจ้าค่ะ ขอกลับเรียนถามพระอาจารย์เราจะสามารถฝึกให้จิตใจที่เข้มแข็งต่อสู้กับความอยากต่างๆความไม่สบายใจต่างๆได้อย่างไรบ้างเจ้าคะก็ต้องใช้สตินี่แหละสติเป็นผู้ที่จะสร้างพลังคืออุเบกขาให้เกิดขึ้นในใจให้ใจเราวางเฉยได้กับสิ่งยั่วยวนต่างๆได้แล้วมันฝึกสติอยู่เรื่อยๆอย่ามาฝึกสติเฉพาะตอนที่เรานั่งสมาธิไม่พอเพียงต้องฝึกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลย หน่ตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเวลาไปเตรียมตัวทำงานอาบน้ำอาบท่าอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่อ ง, ง, งนๆ้นเรื่องนี้ถ้าฝึกแบบนี้แล้วเราจะมีพลังที่จะหยุดความคิดหยุดการมีอารมณ์ต่างๆได้คำถามจากคุณพงพันธ์เจ้าค่ะ กราบนมัสการพระอาจารย์ครับขณะที่ฝึกเจริญสติแต่เกิดอาการว่วงนอนมากๆเข้ามาแทรกพยายามสู้อยู่หลายชั่วโมงก็ไม่ดีขึ้นจึงตัดสินใจนอนหลับไปเลยแล้วตื่นขึ้นมาฝึกต่อปรากฏว่าได้ผลดีแบบนี้ถือว่าผมทำถูกต้องไหมครับถ้ามันเป็นความจำเป็นต้องหลับนอนก็ต้องหลับนอนแต่ถ้ามันหลับนอนมากเกินไปมันก็ไม่ดี มันหลับหลับพอแล้วยังอยากจะหลับอีกอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของความเกลียดข้านั่นก็ต้องดูว่าร่างกายได้พักผ่อนดลันอนพอเพียงหรือยังถ้าได้รับพอพอเพียงแล้วยังอยากจะนอนอีกอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นกิเลสไดก้ก็ต้องฝืนคำถามจากคุณพรพัฒน์เจ้าค่ะ การทำบุญบริจาคช่วยสุนัขตามมูลนิธิต่างๆที่เดือดร้อนกับการทำบุญใส่บาตรจะได้บุญเท่ากันไหมเจ้าคะเท่ากันเท่ากันอยู่ที่ว่าเราทำมากทำน้อยถ้าทำปริมาณเท่ากันช่วยให้อ า, ห, อาหารหมาร้อยบาทแล้วใส่บาตร้อยบาทบุญก็เท่ากันเพราะเราเสียสละเท่ากันคำถามจากคุณสมนึกเจ้าคะ่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ เราควรตั้งจิตในการภาวนาอย่างไรไม่ให้ล่วงไปเป็นการกระทําด้วยตัณหาที่อยากได้ทําครับคือการปฏิบัตินี้ก็ต้องมีความอยากได้ทําเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากได้ทําก็จะไม่ปฏิบัติฉะั้นการอยากได้ทํานี้ไม่ถือว่าเป็นตัณหาความอยากที่เป็นกิเลสที่เป็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่เป็นเรื่องของความฉันทะความยินดี ความอยากในธรรมนี้เรียกว่าเป็นความยินดีในธรรมความยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปวงพระเจ้าบอกถ้าเป็นยินดีกับาลาบยศสรรเสริญสุขอย่างนี้เป็นกิเลสแต่ถ้ายินดีในธรรมนี้ไม่ถือว่าเป็นกิเลสเป็นเป็นมรรคเป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเพียงแต่ว่าเมื่อเกิดความยินดีแล้วเวลาปฏิบัติก็อย่าไปอยากให้ได้ผลให้อยู่ ให้ให้ผลเกิดขึ้นตามเหตุคือการกระทําของเราการปฏิบัติของเราถ้าไปอยากเกินเหตุมันไม่ได้ผลก็อาจจะทําให้เราไม่สบายใจเสียใจได้พ้อแท้ได้อย่างนี้ก็เป็นกิเลสได้ถ้าแบบนี้นต้องให้มันเหตุให้มันอยากให้ให้มันอยากตามความตามเหตุที่เราสร้างเหตุได้ทำเหตุเท่าไหร่ได้ผลเท่าไหร่ก็ก็ยินดีเท่านั้นอย่าไปอยากได้นิพพานทำทำบุญน้อยบาทแล้วขอให้ไปนิพพาน พอไม่ได้ก็ทุกใจเสียใจนี้ก็อันนี้ก็มันก็ไม่ไม่สมเหตุสมผลพอง่ายๆคำถามจากคุณภูมิพัทเจ้าค่าะ กราบขอการพระอาจารย์ครับการทำจิตให้ว่างไม่ต้องการอะไรไม่เอ่ยชื่อในทุกการทำบุญไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิการทำบุญสังฆทานการสวดมนต์หรือการภาวนาในการแผ่เมตตาให้บุคคลที่ร่วงรับจะได้เหมือนกับการแผ่เมตตาที่เรามีการเอ่ยชื่อถึงเขาไหมครับคือการแผ่เมตตานี้ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นการอุทิศบุญการแผ่เมตตาก็คือให้ความเป็นมตตต่อบุคคลต่าง ซึ่งส่วนใหญ่เราจะต้องแผ่ขอบคนที่เราเจอกันไม่ใช่นั่งอยู่คนเดียวแล้วก็ขอให้แผ่เมตตาให้กับนายกรนายขอนี่เขาไม่รู้เรื่องเราจะให้เมตตาต้องเวลาเจอนายกรนายขอแล้วก็ยิ้มให้เขาถามสารทุกข์สุขดีสบายดีหรือหรือมีขนมอะไรก็มาฝากเขานี้เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทำและต่อหน้าเขาด้วย ไม่ใช่อยู่ตามลำพังคนเดียวแล้วก็นั่งคิดถึงข่าแล้วว่าขอให้เธอมีความสุขมากๆนะเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องหรอกนะต้องให้เข้าใจว่าการแผ่เมตตาที่ถูกต้องต้องแผ่ด้วยการกระทำไม่ได้แผ่ด้วยความคิดตอนนี้ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่อนะอันนี้คำถามเยอะวันนี้คำถามน้อยถ้ามีใครอยากจะถามก็เชิญเข้ามาถามได้ มีคำถามต่อไหมมีเจ้าค่ะคำถามจากคุณประธานแนวทางในการปฏิบัติธรรมเพื่อลดทุกขเวทนาจากการเสื่อมของกายสังขารผมควรเริ่มทําอย่างไรครับขอเรื่องของร่างกายทางเวทนาทางร่างกายนี้เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันจะเสื่อมมากเสื่อมน้อยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เรื่องที่เราทําได้ก็คือทําใจให้เราไม่ทุกขกับมันได้นะ ด้วยการปล่อยวาง<ม>ด้วยการทำใจให้วางเฉยให้เป็นอุเบกขายอมรับสภาพของร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราไปห้ามไปจัดการมันไม่ได้แต่เราทำใจของเราไม่ให้ไปทุกข์ไปวุ่นวายกับมันได้คำถามจากผู้รับฟังนะ้กกุฏิเจ้าค่ะ มีคนมาเปรียบเทียบพ่อแม่ของเราว่าเป็นหมาซึ่งเป็นคนใกล้ตัวที่เรารักเราเป็นทุกข์มากควรทําอย่างไรดีเจ้าคะอยากให้อภัยแต่ก็ยังทําใจไม่ได้เจ้าค่ะก็เราดูเถอะแม่เราเป็นหมาหรือเปล่าถ้ไม่เป็นแล้วเราไปเดือดร้อนทําไมคําพูดของคนมันจะทําให้คนเป็นนู่นเป็นนี่ได้ที่ไหนเราใช่ไหมแม่ก็เป็นแม่อยู่ดีะเขาจะเรียกว่าเป็นหมาเป็นม้าแล้วเป็นช้างเป็นแมวก็เป็นปากของเขาเท่านั้นเอง มันไม่ใช่เป็นความจริงแ้่หน่อยแล้วกลับไปเดือดร้อนทําไมอย่าไปเดือดร้อนถึงแม้เป็นความจริงเราก็ต้องยอมรับถ้าแม่เขเป็นหมาก็ต้องยอมรับเขาเป็นหม า, ม า, หมาชายก่อนเขาก็เคยอาจจะเป็นหมามา่ก่อนก็ได้เฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติพระเจ้าสอนว่าเรื่องนินทาสรรเสริญนี่อย่าไปยินดียินร้ายกับมันมันเป็นของที่เราห้ามไม่ได้ควบคุมบังคับไม่ได้แต่ทุกคนต้องสัมผัส สัมผัสแล้วก็ปล่อยวางรับรู้แล้วก็ปล่อยวางไปผ่านไปแล้วเขาพูดคําเดียวปั๊บวินาทีนึงมันก็หับไปแล้วแต่เรามาคิดเป็นวันเป็นเดือนเนี่ยมันเป็นโทษของเราเองที่เราไปเอามาคิดถ้าเร า, เราลืมมันไปเสียมันก็จบใช่ไหมเนี่ยตอนนี้นกมันร้องนี่มันอาจจะด่าเราก็ได้แต่ทําไมนกไม่อามาคิดเนี่ยเพราะเราไม่เข้าใจความหมายของมันนะนั้น mm hmm. คําพูดมันไม่ได้เป็นความจริงหรอกความจริงมันก็อยู่ที่เหตุการณ์จริง ถ้าคนดีเขาก็ดีคนไม่ดีเขาก็ไม่ดีจะมีคนว่าเขาไม่ดีหรือดีมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงอ น, นันไปได้ดังนั้นเราต้องยอมรับว่าอยู่ในโลกนี้ต้องมีคนเขาด่าบ้างมีคนสรรเสริญบ้างบางคนก็ชมบางคนก็มีทางเราห้ามเขาไม่ได้ให้ดูเขาดูเรื่องเหล่านี้เหมือนกับดินฟ้าอากาศบางวันฝนก็ตกวันบางวันก็แดดก็มออาวันก็พายุมา เราก็ต้องอยู่กับมันไปตามตามความเป็นจริงแต่ใจเราไม่ต้องไปเดือดร้อนไปเสียหายกับคำพูดการกับการกระทาของผู้คนคำถามจากคุณเอ ก, กชัยเจ้าค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับนั่งภาวนาแล้วจิตชอบลงไปนอนแช่อยู่กับความนิ่งทำให้ดูสภาวะไม่ชดัดผมควรทำอย่างไรให้จิตตื่นและมีกำลังครับ ถ้านิ่งแบบไม่มีไม่ไม่มีกำลังหรือ ว, ว่าไม่มีความรู้สึกก็แสดงว่าหลับมากกว่าถ้าเช่นนั้นก็ควรจะลุกขึ้นมาเดินจงกรมก่อนเดินจงกรมให้มีสติให้ตื่นตัวก่อนแล้วค่อยกลับไปนั่งสมาธิใหม่คำถามจากคุณบุญส่งเจ้าค่ะผมกราบขอกาสเรียนถามพระอาจารย์เรื่องศีลครับอย่างเช่นศีลข้อหนึ่งถ้าผมเผลอมีความคิดเจตนาฆ่าสัตว์ แต่ตัวผมไม่ได้ลงมือกระทำจริงๆเช่นนี้จะเป็นบาปไหมครับเพียงแต่คิดยังไม่กระทำนี่ยังไม่เป็นบาปเป็นเพียงเป็นความคิดที่เป็นอกุศลที่ไม่ควรจะปล่อยให้คิดไปเรื่อยๆเพราะถ้าคิดไปมากๆเดี๋ยวมันก็จะพาไปสู่การกระทำได้เพราะฉะนั้นพอเราคิดว่าจะทำบาปเราลิ้หยุดมันเสียด้วยฮีริโอตบบปะก็ได้ฮีริก็คือความละอายคนทาบาปนี้ไม่ใช่เป็นคนดี อตปาก็คือทำบาปแล้วจะต้องไปรับผลบาปต่อไปจิตใจจะต้องไปอบายพอเราคิดอย่างนี้ได้เราก็จะหยุดความคิดที่จะไปทําบาปได้คําถามจากคุณสิริพรเจ้าค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ระหว่างการสวดมนต์และการทําทานแบบไหนจะได้อ น, นิสงส์งมากกว่ากันเจ้าคะาได้ผลคนละอย่างแต่ก็จําเป็นทั้งสองอย่างการทําทานก็เหมือนการรับประทานอาหารนี่ การสวดมนต์ก็เป็นเหมือนกับการพักผ่อนหลับนอนร่างกายก็ต้องต้องการทั้งอาหารต้องการนั่งพักผ่อนหลับนอนใจกต็ต้องการอาหารคือบุญทำจากการทําทานแล้วใจก็ต้องการความสงบเพื่อพักผ่อนย่อนใจเพราะฉะนั้นก็ต้องทําทั้งสองอย่างจะไปเลือกว่าอย่างนี้มากกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ทําก็ไม่ได้คนจะทํา ท, ทุกอย่างให้มันครบบริเูยดู ถามเจ้าคุณการจนาเจ้าคะ่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์การปฏิบัติธรรมนุ่งขาวถือศีลแปดเข้าวัดกับการโกนหัวบวชชีโอกาสในการปฏิบัติธรรมแตกต่างกันหรือไม่เจ้าคะไม่หรอกอยู่ที่การปฏิบัติเนะี่ยปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยอันนี้คำถามไม่มีเจ้าคะ่นะคถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลามีใครอยากจะถามอะไรไม